สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักถ่กรุณชอบเล่าคลิปนี้ก็จะขอเอาเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่กรุณาแชร์มาให้มาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับมันก็จะมีอยู่หลายแนวผมจะทยอยถ่ายทอดให้ได้ครบทุกคนนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณกฤษสดาที่ได้เล่าถึงประสบการณ์การเก็บเห็ดซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรใครๆเขาก็เก็บกันถ้าการเก็บเห็ดครั้งนั้นไม่ได้ไปเก็บที่วัดป่าร้างคุณกฤษดาเล่าว่า ที่แถวบ้านผมนั้นมีวัดป่าอยู่วัดหนึ่งสมัยก่อนนั้นก็ยังมีพระอยู่จําวัดอยู่หลายรูปก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่แชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นลักษณะของวัดป่าก็คือที่นี่ไม่มีเมรุเผาศพอและพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเป็นวัดป่าก็คือป่าช้าเก่าเมื่อมีการตายของคนในหมู่บ้านเกิดขึ้นก็จะนําไปเผาที่วัดป่านี้โดยการตั้งเป็นเชิงตะกอนขึ้นมาสมัยนั้นกี่ศพกี่ศพก็พาไปที่นี่หมด ผมยังจำได้แต่ก่อนพอเดินเข้าไปทีก็จะเจอกับรอยที่เขาผสศพไว้และหลายครั้งก็ยังมีฐานแดงๆอยู่เลยนั่นคือบรรยากาศในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้วัดนี้ได้ร้างลงไปแล้วซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้างไปเพราะอะไรในเขตของวัดนี้ที่คงเหลือไว้ก็มีแต่กุฏิและศาลาเก่าที่ผุพังซึ่งพอมองไปรวมๆแล้วก็แทบจะไม่เหลือสภาพของวัดแต่ตัวของศาลาวัดนั้นก็ยังพอให้หลบฝนและนั่งเล่นได้ แล้วก็ยังมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ให้พอได้กราบไหว้บูชาวันนั้นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มผมกับเพื่อนอีก4คนกินข้าวกันเสร็จแล้วเราก็ได้ออกปฏิบัติการตามที่เราได้นัดหมายกันตั้งแต่เที่ยงปฏิบัติการของเราก็คือการเข้าป่าเก็บเห็ดพอถึงเวลาเราก็ได้ขับรถมอเตอไซค์เพื่อตรงไปยังป่าของที่ติดตัวเราแต่ละคนก็มีตะกร้าเสียมและไฟฉายและเมื่อไปถึงชายป่าก็จอดรถกันไว้จากนั้นจึงได้เดินเข้าป่ากัน การเดินของกลุ่มเรานั้นจะเดินเรียงเป็นหน้ากระดานกันเข้าไปถึงระยะห่างกันประมาณคนละ20วาซึ่งตำแหน่งการเดินของผมนั้นเป็นคนขวาสุด mm. ก็ยังพอให้อุ่นใจที่ยังเห็นแสงไฟฉายจะเพื่อนอีก3มคนบรรยากาศการเก็บเห็ดในยามนั้นคงไม่ต้องบอกว่าบรรยากาศ ร, บรอบๆตัวนั้นมันดูวังเวงและก็น่ากลัวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามากัน4คนผมก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเห็ดไปเรื่อยๆและก็เพราะไอความตั้งหน้าตั้งตาเก็บเห็ดนี่แหละ จึงทำให้ผมหลงกับเพื่อนอีกสมคนพอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่มีใครแล้วแสงไฟฉายของเพื่อนก็หายไปมันอะไรกันเนี่ยผมหลงได้ไงมองดูรอบๆตัวมันก็มีแต่ความมองเวงและมืดสนิทคิดได้อย่างเดียวคือต้องตะโกนผมก็เลยร้องหาเพื่อนว่าเฮ้เฮฮผมร้องอยู่หลายครั้งต้องมีเสียงตอบจากเพื่อนมาเฮ hey, hey, hey ้เฮฮสิงสวรรค์ น, นั่นเองพอผมได้ยินผมก็เดินหาเหตุต่อไปเรื่อยๆตรงทางที่ได้ยินเสียงเพื่อนดังมารู้สึกอุ่นใจแล้ว หรือเมื่อผมเดินไปได้สักพักก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรสักอย่างหนึง่งกําลังขย่าต้นไม้อยู่บนหัวผมด้วยความตกใจผมรีบส่องไฟฉายขึ้นไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรและการขย่าก็หยุดลงผมก็พยายามคิดว่าถ้ามันเป็นนกและบินออกไปมันก็คงจะไม่ใช่เพราะมันขยัาแรงมากตอนนั้นใจเริ่มจะกลัวเพราะหาคําตอบให้กับสิ่งที่เกิดไม่ได้ก็เลยรีบเดินแล้วก็เก็บเห็ดไปด้วยปากก็ร้องเ hey, ฮ hey, ่เฮไปตลอดทางและอีกสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเพื่อนตอบว่าเ hey, ฮ hey ่เฮอีก ผมรู้สึกได้ว่าใกล้เพื่อนมากแล้วก็รู้สึกอุ่นใจความกลัวก็เริ่มลดลงก็รีบเดินตามเสียงของเพื่อนไปแต่มีความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังเดินตามผมมาผมหยุดและหันหลังไปดูก็ไม่มีอะไรหัวใจก็เต้นแรงเหงื่อเริ่มออกแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะคิดมากไปเองตอนนี้ก็หยุดเก็บเห็ดเดินจับไปหาเพื่อนอย่างเดียวจนในที่สุดผมก็ไปพบกับเพื่อนอีก3าคนจนได้พอไปถึงผมก็เล่าให้เพื่อนๆฟัง สงสัยกูคงจะโดนเล่นซะแล้วแหละเขย่าต้นไม้ใส่หูกูเลยเนี่ยและเพื่อนผมมันก็บอกว่าพวกกูก็โดนเหมือนกันแต่พวกกูไม่กลัวจากนั้นพวกเราก็ตั้งแนวเดินใหม่คือเดินเรียงหน้ากระดานเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เว้นระยะแค่ 3- 4วาพอพวกเราเดินกันไปได้สักพักก็มีแสงไฟประหลาดอยู่ลูกหนึ่งลอยผ่านหน้าพวกเราไปผมไม่เห็นเพื่อนก็เห็นเพราะมันหันมาถามผมว่ามึงเห็นไหมผมก็บอกมันไปว่ากูก็เห็น และผมก็บอกพวกมันว่าอย่า ก, กลัวเรามาแต่เราเขาอยู่สวนเขาพวกเราทั้งสีคนที่ไม่กลัวก็ได้แต่มองหน้ากันเหลิกหลักแล้วก็เดินต่อไปจนกระทั่งเลยไปถึงกุฏิซึ่งสภาพเก่ามากผุพังจะหมดแล้วพวกเราก็เลยชวนกันไปนั่งเล่นที่ศาลาที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พอไปถึงพวกเราก็กราบพระกันคนละสครั้งขาบอกว่าบรรยากาศในวัดร้างที่อยู่บนผืนป่าช้าเก่านั้นมันชวนหลอนจริงๆถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ต่อนหน้าพระพุทธรูปก็ตามแต่พวกเรามีกันสี่คน กับไปฉายอีก4กระบอกและทุกคนก็ทําท่าเหมือนใจกล้าก็เลยพอจะทําให้อุ่นใจกันได้อยู่พวกเรานั่งเล่นนอนเล่นที่ศาลา น, นั้นสักพักจุบจุนถึงเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าเพื่อนผมคนหนึ่งก็บอกว่าประมาณสักเที่ยงคืนเราแค่ออกไปเก็บเห็ดกันอีกแต่ครั้งนี้คือไล่เก็บไปทั้งที่เราจอดรถกันอยู่เพื่อจะได้กลับบ้านกันตกลงกันเสร็จก็อาบุรี่มาแจากกันสูบนั่งฟังเสียงแมลงกลางคืนต่างๆจนเพลินดื่มดํากับบรรยากาศที่ในเมืองไม่มีให้วังเวงและก็สงบเงียบ ศาลาที่เรานั่งกันอยู่นี้ปกคลุมด้วยไม้พยุงต้นใหญ่ซึ่งยืนต้นอยู่ข้างศาลาตอนนั้นพวกเรากําลังโอาเหตุที่เก็บได้เมื่ออวดกันว่าของใครจะใหญ่กว่าโครมเสียงปแปลกๆดังขึ้นจากบนหลังคาศาลาเหมือนมีอะไรสักอย่างกระโดดจากต้นไม้ลงมาเสียงตุ้มๆตุมๆเหมือนมันวิ่งอยู่บนหลังคาพวกผมตกใจกันมากแทบจะวงแตกกันเลยแต่ว่าจะด้วยความช็อกหรือว่าก้าวขาไม่ออกก็ไม่ทราบได้จึงทําให้พวกเรานั่งนิ่งทําหน้าเหวอกันอยู่แล้วก็ไอเสียงที่วิ่งอยู่นั้น มันวิ่งได้สักพักมันก็โดดลงมาบนพื้นดินตุ๊บเรามองไปตามเสียงนั้นส่องไฟไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วไอ้เสียงลึกลับที่เหมือนคนวิ่งนั้นมันก็วิ่งหายไปและทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบพวกเราก็ได้แต่มองหน้ากันนั่งนิ่งตั้งสติสักพักเมื่อใจเริ่มชื้นกันแล้วก็ลุกขึ้นออกเดินเก็บเห็ดต่อตามทางที่เราจะกลับระหว่างนั้นพวกเราก็ตกลงกันว่าอย่าไปกลัวมันเพราะว่าถ้ายิ่งพวกเรากลัวมันก็จะยิ่งหลอกไอ้คาพูดที่บอกว่าไม่กลัวเนี่ยมันพูดออกมาได้ แต่ในใจเชื่อเลยว่าทุกคนน่ะกลัวพวกเรารีบเก็บเห็ดแล้วก็รีบเดินเพื่อจะให้ออกผลจากป่าและเมื่อใกล้ทางที่จะออกป่าทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอะไรสักอย่างหนึง่งโดดลงมาจากต้นไม้ข้างๆที่พวกเรายืนอยู่ตุ๊กซึ่งเป็นสิ่งที่ดังมากเหมือนคนตกต้นไม้พวกเรารีบส่งไฟไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรจะเป็นกิ่งไม้หรือก็ไม่ใช่เรามองหน้ากันและรู้ทันทีว่าควรจะรีบเดินไปให้ถึงรถพวกเราก็รีบเดินต้นไม้ที่อยู่โดยรอบพวกเรานั้นมันเหมือนไม่คนเขยา่า ซ้ายทีขวาทีข้างหลังเป็นการเขย่าที่แรงมากผมทนไม่ไหวออกวิ่งก่อนเลยจากนั้นเพื่อนผมทุกคนก็วิ่งตามกระดกมาควบรถได้ก็รีบกลับบ้านกันเลยและเมื่อไปถึงบ้านเพื่อนจากเหที่เกือบจะเต็มตะกร้าปรากฏว่าเหลืออยู่นิดเดียวดูเวลาก็ปาก่าเข้าไปตั้งตีสอแล้วถึงแม้ว่าบ้านผมกับบ้านเพื่อนจะห่างกันไม่เกี่ยงคาเรือนแต่คืนนั้นผมไม่กล้าจะกลับบ้านของตัวเองก็เลยต้องอาศัยนอนบ้านมันสรุปเรานอนรวมกันที่บ้านหลังนั้นกันทั้งหมด พอเช้าขึ้นมาเราก็เล่าให้ผู้ผใหญ่ฟังผู้ใหญ่แกก็บอกว่าทําไมถึงเข้ากันบปลึกขนาดนั้นเข้าไปได้จนถึงวัดมึงก็โดนแบบนั้นแหละขอสารภาพเลยครับตอนแรกก็ไม่กลัวกันหรอกแต่พอเจอจริงๆขนาดไม่เห็นตัวนันเนี่ยแทบวิ่งหนีกันไม่ทันครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณกฤษดากับเพื่อนๆที่ไปเก็บเห็ดกันนะครับเก็บเห็ดแล้วก็ไปดักหนูต่อกันดีกว่าครับเรื่องนี้ส่งมาจากคุณเชะชะหน้อยแน่ท่านสมาชิกอีกท่านหนึ่งของนักท่อนกาลคนชอบเล่า คุณแช่ชาหน้อยแน่เล่าว่าสวัสดีครับผมเป็นเด็กเพชรบุรีที่บ้านของผมนั้นมีแต่ทุ่งนากับท่าน้ําเพชรพอถึงฤดูเกี่ยวข้าวมาเราก็จะมีการดักหนูหนากันแล้วก็ทุกปีผมกับอาชอบไปดักกันจะขอบอกกันนะครับว่าบรรยากาศแถวบ้านผมมันดูลุกทุกมากๆมีทั้งไอดินกลิ่นฟางที่ตัดหอมหอไ ม, ใม่ใหม่เรียกได้ว่าบรรยากาศอากาศที่บริสุทธิ์ยังมีให้สูดดมได้อยู่อ่ะหาหนูกันต่อครับผมกับอาสองคนทุกปี เมื่อถึงฤ ด, ดูจับหนูก็เจาะออปฏิบัติการกันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติแต่ครั้งนั้นเราสองคนออกหารูหนูที่อยู่ตามนาเจอกันเรียบร้อยผมก็ทํากับดักไว้จากนั้นก็เดินทางกลับบ้านกับบรรยากาศที่สุดยอดเดินชมทุ่งกับดวงตะวันที่กําลังพลอ้เพลแต่บรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็จะมีแค่วูบเดียวเพราะหลังจากนั้นเมื่อดวงตะวันมืดลงความมังเวงก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็กินข้าว เมื่อกินเสร็จก็เตรียมตัวเริ่มที่เตรียมของเตรียมไฟเตรียมปืนลมเพื่อเจอนกกวักเนื้อของมันอร่อยมากและอาของผมนั้นก็เป็นมือปืนที่แม่นมากก็เลยได้กินบ่อยเราสองคนเดินทางไปถึงที่ทุ่งนาก็มืดพอดีก็อย่างที่บอกครับทุ่งนานั้นเงียบและก็มืดมากได้ยินแเสียงของผู้บันลงกลางคืนร้องอยู่ทั่วไปเมื่อไปถึงปุ๊บเราก็เอาฟางไม้รั่วนามาทําบังเกอร์เพื่อซุ่มจากสายตาของหนูหรือรสัตว์อื่นจากนั้นเราก็รอ ประมาณสองสามทุ่มรอบแรกหนูก็ติดดักประมาณสองสาตัวได้แกงการดักหนูของผมกับอานั้นปกติแล้วจะกลับกันเช้าคือเมื่อกู้ที่ติดดักแล้วก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไปดักชายไร่ที่ติดกับทุ่งมั่งไปดักที่ปากกล้วยมั่งและคืนนั้นหลังจากที่ดักได้รอบแรกแล้วเราก็ย้ายไปดักที่ป่าหญ้าคาที่ติดกับไร่โรคร้างที่มีบ้านร้างอยู่ด้วยใกล้ๆกับทุ่งที่ติดดักหนูผมก็บอกกับอาว่าอาไปดักตรงอื่นเถอะ ผมก็กลัวนะ่ะแปลกๆรู้สึกขนลุกไม่เหมือนกับตรงอื่นที่เคยดักแต่ระหว่างที่พูดนั้นผมก็พยายามจะไม่คิดอะไรจากนั้นเราก็พากันเดินกลับมายัางบังเกอร์เล่นเอาหอบเลยเพราะรอบๆหนึ่งต้องเดินไปในทุ่งผ่านไร่ดองตาลก็เป็นโลสอโลเวลาขณะนั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนบรรยากาศที่ดึกเริ่มหนาวเสียงแมลงไม่มีอีกแล้วตอนนั้นเราก็นอนเล่นกันอยู่ที่บังเกอร์นอนไปได้สักพั ก, กใหญ่ๆประมาณเที่ยงคืนกว่าหูของผมก็ได้ยินเสียงแววแววเสียงหนึ่ง เหมือนเสียงของผู้หญิงร้องมันเริ่มจากเบาๆเบา ๆ, ๆแล้วก็เริ่มห่วยหวนมากจนหลอนอาของผมว่าเสียงนั้นมันนํามาจากทางที่เราไปวางดักตรงป่าหญ้าคาบ้านรลังแน่ๆผมก็ถามอาว่าแล้วไงอะแต่อาผมก็เฉยเพราะแกเป็นคนไม่กลัวเรื่องพันนี้อยู่แล้วเสียงที่ดังนั้นสักพักก็เงียบไปเมื่อทุกอย่างกลับมาเงียบเป็นปกติผมก็เริ่มจะเอ็นกายลงนอนแต่ยังไม่ทันที่จะเอ็งกายเสร็จหมาก็เริ่มหอนครับหมามันหอนจริงๆ ผมรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยแล้วไอเสียงที่ห่อยหวนนั้นมันก็ดังขึ้นอีกหันไ้มองดูอาก็เห็นแกคว้าปืนลมมีดและไฟฉายลุกขึ้นแล้วก็พูดเบาๆว่ากูอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆแน่เท่านั้นกูเองก็พอจะได้ยินมาบ้างจากชาวบ้านผมได้ฟังก็งงและสงสัยมันคืออะไรแล้วอาผมก็เดินดุ่มๆไปผมก็ต้องวิ่งตามให้ไวเพื่อให้ทันแกพอเดินไปได้ใกล้จะถึงต้นเสียงนั้นอาผมแกก็ชะงักและนั่งลงไวมากแกก็ดึงแขนผมให้นั่งลงและกระซิบว่า มึงคอยดูอะไรดีๆนะครับผมตอบขณะนั้นเรานั่งหมอบอยู่ตรงคูน้ำระหว่างป่าคาบ้านหลังสายตาของผมก็เห็นสิ่งที่แปลกมันมีแสงไฟสีเหมือนรถสว่างมากวูบไปวูบมาลอยไปลอยมาเป็นสีแดงสีเขียวเสียงแวกจ้าขาดังแกรกแกกและอาผมก็หันมาบอกว่ามันคือผีตะกับมันออกมาหาขี้กินผมกับอาอยู่ห่างจากมันพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นระยะที่ใกล้ อารู้สึกยังไงผมไม่รู้แต่ผมได้ยินเสียงหัวใจกับผมเต้นแรงเหงือแตกและก็หนาวพอมันเริ่มลอยออกมานอกท้องนาเรื่อยๆผมที่หัวของผมลุกขึ้นตั้งหัวใจก็เต้นแรงขึ้นสิ่งที่ผมเห็นมีลักษณะคล้ายผู้หญิงตัวมันมีแสงเรืองวูบวับขาไม่ติดดินลอยไปเรื่อยๆจ็บบูของมันรู้ใหญ่ดำหน้ากลัวมากตอนนั้นเราอยู่ห่างจากมันประมาณ10เมตรสิ่งที่พลางกายของเราก็มีเพียงต้นหญ้าขาเท่านั้นมันลอยวนไปมาจนไม่เห็นกองขี้วัวก้อนหนึ่ง มันหันดูรอบๆกายมันตอนนั้นโลกทั้งโลกเงียบได้ยินแต่เสียงหายใจของตัวเองกับเสียงหัวใจเท่านั้นบรรจาิกาศได้ท้องทุ่งเงียบเย็นน่ากลัวจนผมตัวสั่นอาผมหันมาบอกว่ามึงอยู่เฉยๆมันมีหูที่ดีกว่าคนมากเมื่ออาพูดจบแค่นั้นสิ่งสิ่งนั้นมันก็หยุดนิ่งแล้วก็หันขวับมองตรงมาที่เราแอบอยู่เท่านั้นแหละอาผมส่งเสียงเลยเฮ้ย hey, ใครทําอะไรวะสิ้นเสียงสิ่งนั้นพุ่งไปที่ต้นไม้ลอยขึ้นลง เปลี่นสีวูบวาบแสงสว่างมากเหมือนจะมูโขลรู้สึกตัวอีกทีอาจับแขนผมแน่นวิ่งอย่างเดียวไม่เอาอะไรแล้วหนูเหนือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทิ้งหมดและเมื่อถึงบ้านผมก็นอนไม่หลับจนเช้ามาเป็นไข้ต้องไปหาหมอไปรดน้ํามนกันอาการถึงได้ซาลงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ผมกับอาไม่กล้าไปหาหนูนากันหลายปีแล้วพ่อใหญ่ที่บ้านบอกว่าสิ่งที่พวกผมเจอนั้นคือผีตกะกับครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณช้าๆหน่อยแน่ ซึ่งเป็นเรื่องที่2เข้าป่าสั้นๆกันอีกสักเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้ของคุณธินกรคุณทินกรเล่าว่าสวัสดีครับผมมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปู่ของผมเรื่องนี้เกิดขึ้นมา30กว่าปีแล้วตอนนี้ปู่ของผมท่านได้จากไปแล้วแต่ผมก็อยากจะแชร์เรื่องราวของท่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในสมัยนั้นปู่ของผมแกเป็นพรานและอีกภาคนึงแกก็เป็นชาวไร่าชาวนาด้วย แล้เมื่อแกได้แล้วเสร็จจากการที่เกี่ยวข้าวก็จะเอาข้ามากองไว้โดยยังไม่ได้ตีเพราะว่าเวลาที่ขนข้าวเสร็จนั้นปู่ของผมแกก็จะไปชวนพวกลูกหาไปหาของป่ามาไว้กินเวลาที่ตีข้าวกันปู่ของผมนั้นแกเป็นพรานใหญ่มีปืนลูกซองเดียวเบลเยี่ยมเอาไว้สําหรับออกไปล่าสัตว์เวลาแกไปแกก็จะชวนพวกลูกหาไปด้วย 7-8 คนปู่ของผมเวลาแกออกป่าแกจะไปทีน้ำเป็นครึ่งเดือนแบบว่าพักค้างคืนไปเรื่อยๆพอตกบ่ายแกก็จะบอกให้พวกลูกหาตั้งที่พัก ส่วนตัวแกก็จ้องไปหาลูกไม้เพื่อขัดห้างบางวันก็ได้เก้งบ้างบางวันก็ได้กวางบ้างแล้วแต่โชคจํำรวยพอยิงได้เสร็จแกก็จะไปตามผู้ลูกหาบให้หนําไปชําแหละทําเนื้อแห้งย่างไว้พอตกใบอีกวันแกก็จะกลับไปนั่งห้างอีกตามเคยแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ไม่เหมือนกับทุกวันวันนั้นแกไปขัดห้างบนกอภัยแกหนังลูกกระบกสุกซึ่งพวกกวางกับเก้งชอบกินกันมากๆแต่วันนั้นมีสิ่งปแปลกเกิดขึ้นมีกวางเข้ามาจะกินลูกไม้ที่แกหนังอยู่ สิ่งแปลกที่พูดถึงก็คือไม่ว่ากวางตัวไหนพอเข้ามาถึงใกล้ๆก็ร้องปเอป๊กเป๊กแล้วก็กระโดดหนีไปสร้างความสงสัยให้กับแกมากเพราะแกนั้นก็นั่งนิ่งๆไม่ได้ขยับอะไรแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนั่งต่อไปจนกระทั่งมีกวางเข้ามาอีกและตัวที่2นั้นก็ทํากริยาเหมือนตัวที่1ไม่มีผิดก็คือร้องปเป๊กและกระโดดหนีไปปู่ก็คิดว่ามันตกใจอะไรนะแต่ก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวแกเลยตัดสินใจลงจากห้าง เขคิดว่ายัางไรสะวันนี้ก็คงจะไม่ได้กวางแล้วตัดสินใจได้อย่างนั้นแกก็เอารองเท้าเร่าทีมของแกโยนลงไปที่ใต้กอไผ่ที่แกนั่งอยู่แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นเสือลายพาดกลอนกระโดดแต่ปบดรองเท้าของแกแกเห็นแค่นั้นก็เลยเหวี่ยงปืนคู่กายที่กันสะพายอยู่ที่บ่าเนียวไกยิงลงไปที่สันหลังของเสือหนึ่งนัดปังนั่นคือเสียงของลปืน9กเม็ดขนาด SG สจีเสียงร้องคำรามของเสือดังลั่นป่าไม่นานเงียบลงไม่นานก็สิ้นใจตายคาที่ และปู่ก็ได้รู้ถึงสาเหตุว่าทำไมพวกวางมันถึงได้หนีไปและนี่ก็คือเรื่องราวจากประสบการณ์หนึ่งของปู่คุณทินกรนะครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกเจ้าของเรื่องนะครับที่ได้กรุณาแชร์ความสุขให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ฟังกันส่วนผมมีหน้าที่ถ่ายทอดต่อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการได้รับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ